พระสุธรรมเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคต่อมาท่านพระสุธรรมเก็บเสนาสนะแล้วถือบาดและจีวรเดินทางไปกรุงสาวัตถีจนลุถึงพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินดิกะโดยลำดับเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลเรื่องที่ตนกล่าวและเรื่องที่จิตตะคหาบดีกล่าวนั้นทั้งหมดให้ทรงทราบ